ب سم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن خطاب الإسلامية بالدمام تواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف للأخ سعد الغامد الشريط الخامس ش ر ويحتوي على جزئي ا ل ذ ا ر ي ا وال ت والمجادلة نأنام بود الزاريات بود ن ي เป็นบ م ك ي ا م ี هوكسي أوم كان ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานการเสริมสร้างการศรัทธาและเดชานุภาพของลอผู้ทรงเอกาผู้ทรงพิชิตโดยเด็ดขาดบทนี้เริ่มโดยการกล่าวถึงลมที่พัดฝุ่นให้กระจัดกระจายปลิวว่อนกล่าวถึงเรือเดินสมุทรในท้องทะเลได้เคลื่อนไปอย่างสะดวกโดยเดชานุภาพของพระผู้ทรงเอกากล่าวถึงเมฆที่อุ้มฝนและกล่าวถึงมาลกยกาผู้บริสุทธิ์ผู้ถูกมอบหมายทําหน้าที่ต่างๆการชุมนุมในวันกียร์มะ จะเกิดขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยและแน่นอนการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนก็จะมีขึ้นโดยปราศจากการแคลงใจบทนี้ได้เปลี่ยนเรื่องมากล่าวถึงพวกกุฟฟาร์มักกะบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลกุรอานและวันปรโลกโดยกล่าวที่แจงถึงสภาพของพวกเขาในโลกนี้และผลที่ตามมาของพวกเขาในปรโลกโดยที่พวกเขาจะถูกนากลับไปยังไฟนรกยานหนัง เพื่อเป็นการลงโทษอย่างสาสมบทได้กล่าวถึงบรรดาผู้ศรัทธาผู้มีความยำเกรงต่ออลัลลอ์และสิ่งที่อลัลลอฮ์ได้จัดเตรียมไว้ให้แก่พวกเขาซึ่งความสุขสำราญและความมีเกียรตในปรลโลกเพราะพวกเขาอยู่ในโลกนี้เป็นผู้กระทําความดีบทได้เปลี่ยนเรื่องมากล่าวถึงความเป็นมาของบรรดารอซูลผู้มีเกียรต์กล่าวถึงพริกรรมของประชาชนที่ละเมิดฝ่าฝืน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 ด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอขอสาบานต่อลมที่พัดฝุ่นให้กระจัดกระจายปลี่ยววันขอสาบานต่อเมฆที่ประยุงฝนอย่างหนักขอสาบานต่อเรือเดินทะเล ่ไปอยยาางสสะดวกบขอสาบานต่อมาลิกาผู้จัดสรรการงานถ้าจริงสิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว้นั้นเป็นความจริงอย่างแน่นอนและแ้้จริงการตอบแทนจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนขอสาบานต่อฟากฟา ที่มีวิถีทางโครจรอย่างมากมายแท้จริงพวกเจ้าอยู่ในคำพูดที่ขัดแย้งกันผู้ที่หันเหออกจากศัจธรรมนั้นเขาจะถูกให้หันเหออกจากการศรัทธาผู้ที่กล่าวเท็จแกน่นบีจะถูกสาปแช่ง คือบรรดาผู้ที่พวกเขาอยู่ในการสับสนหลงลืมเรื่องวันปรโลก ي ي พวกเขาจะถามว่าวันแห่งการตอบแทนจะมีขึ้นเมื่อใด ว, ال วันที่พวกเขาจะถูกทดสอบด้วยไฟนรก พวกเจ้าจงลิมรสการทดสอบของพวกเจ้าเถิดนี่คือสิ่งที่พวกเจ้าเร่งเร้ามาันถ้าจึงบรรดาผู้ยำเกรงจะได้อยู่ในสวนสวรรค์อลาศหลายและมีตาน้ำถ้าคิดีนรดาผูตาำุมรงบะได้อิู่ในสวนสวรรค์อลาศหลายและมีตาน้น พวกเขาจับปิติยินดีในสิ่งที่พระผู้อภิบาลของพวกเขาได้ประทานให้แก่พวกเขาถ้าจริงก่อนหน้านั้นพวกเขาเป็นผู้กระทำความดี๊บมมลลพวกเขาเคยหลับนอนเพียงนิดหน่อยในเวลากลางคืน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 และในตัวของพวกเจ้าเองพวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือและในฟากฟ้านี้มีปัจจัยยังชีพของพวกเจ้าและสิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว้ บบดังนั้นจึงขอสาบานต่อพระผู้อวิบาลแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินว่าแท้จริงสิ่งที่ถูกสัญญาไว้นั้นเป็นความจริงอย่างแน่น อ, อ น, อน เมือนนกกัที่พพวเเจ้าูดรื่องราวของแขกผู้มีเกียรติของอิบราฮิมได้มาถึงเจ้าบ้างไหมเมื่อพวกเขาได้มาหาเขาอิบราฮิมพวกเขากล่าวทักทายว่าสันติเขาก็กล่าวตอบว่าสันติ พวกท่านเป็นกลุ่มชนที่แปลกหน้าแล้วเขาอิบอรหฮิมก็รีบเข้าไปหาครอบครัวของเขาแล้วได้ดำลูกอัวอ้วนซึ่งย่างเสร็จแล้วออกมาและได้วางมันไว้ข้างหน้าพวกเขาโดยกล่าวว่าพวกท่านไม่รับประทานหรือ เมื่อพวกเขาไม่รับอาหารอิบราฮิมรู้สึกกลัวพวกเขาพวกเขากล่าวว่าอย่ากลัวเลยและได้แจ้งข่าวดีแก่เขาเกี่ยวกับลูกคนหนึ่งที่มีความรู้แล้วก็รับประทานอาหาร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 เพื่อเราจะได้โยนก้อนหินทำด้วยดินเหนียวแข็งลงบนพวกเขาบบถูกตราเป็นเครื่องหมายไว้แล้วหน้าที่พระผู้อภิบาลของเจ้าสำหรับพวกที่ละเมิดขอบเขตดังนั้นเราได้นำผู้ที่อยู่ในเมืองนั้นจากหมู่ผู้ศรัทธาออกมาให้พ้น และเราไม่พบผู้ใดในเมืองนั้นนอกจากบ้านหลังหนึ่งของผู้ที่เป็นมุสลิมแล้วเราได้เหลือสัญญาณหนึ่งไว้สำหรับบรรดาผู้ดีกลัวต่อการลงโทษอันเจ็บปวด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 ดังนั้นเราได้เอาเขาและไพร่พลของเขามาแล้วเราได้โยนพวกเขาลงไปในทะเลโดยที่ตัวเขาถูกประนาอดน์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 เมื่อมีผู้กล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าจงสนุกร่าเริงไปชั่วขณะหนึ่งเถิดแต่พวกเขาได้ท้าทายต่อพระบัญชาของพระเจ้าของพวกเขาดังนั้นเสียงก บ, บนาศก็ได้ฆ่าชีวิตของพวกเขาขณะที่พวกเขาจ้องมองดูอยู่แต่พวกเขาได้ท้าทายต่อพระบัญชาของพระเจ้าของพวกเขานั้นเสียงกนาศก็ได้าชีวิตของพวกเขาขณะที่พวกเขาจ้องมองดูอยู่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 เ พ, พวกจจ้าจะได้ใครครรวังนั้นพวกเจ้าจงเร่งรีบไปหาล้อเถิดแท้จริงฉันเป็นผู้ตักเตือนอย่างเปิดเผยจากพระองค์ท่านแก่พวกเจ้า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 เขาได้รับการลงโทษเรื่องการลงโทษเพื่อนๆของพวกเขาดังนั้นอย่าได้รีบเร่งให้ข่าลงโทษเลยดังนั้นความหหยนะจงประสบแดบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในวันของพวกเขาซึ่งได้ถูกสัญญาไว้